หนึ่งกูศลติกะเจ็ 7. ปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจจัยสี่ร้อยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแฝ่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยได้แก่ เหตุที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยเหตุตุปัจได้แก่เหตุที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยเหตุตุปัจได้แก่เหตุที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัย402สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอกุศน เป็นป artist, on, um Actually, on, ัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤตโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัย403สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตโดยเหตุปัจจัยได้แก่ เหตุที่เป็นอัพยกตาวิบากและที่เป็นอพยากตากริยาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่เป็นอพยากตาวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและกตาตารูปโดยเหตุปัจจัยอารามณปัจจัย4ี่สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารามณปัจจัย ได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระเสขะพิจารณาโคตรภูพิจารณาโวทานออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพระเสขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งกุศลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา บุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะกุศลเป็นปัจจัยแห่วิญญาณานจายตนะกุศลโดยอารามณปัจจัยอากีนจัญญายตนะกุศลเป็นปัจจัยแห่เนวสัญญานาสัญญายตนะกุศลโดยอารามณปัจจัยขันธ์ที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณ ยถากรรมูปกขยานและอนาคตังสยานโดยอารามณปัจจใย405สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินกุศล น, นั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้น อุทัจฉาจึงเกิดขึ้นโทมณัจจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลเพลนกุศล ท, ที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วเพราะปรารบความยินดีเพลเพลนกุศลนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทัจฉาจึงเกิดขึ้นโทมณัจจึงเกิดขึ้นบุคคลออกจากฌานแล้วยินดีเพลเพลนฌานเพราะปรารบความยินดีเพลเพลนฌานนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น วิจิตริจฉาจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นสำหรับท่านผู้มีวิปติสารเมื่อฌานเสื่อมแล้วโทมานะจึงเกิดขึ้น406สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตโดยอารมณะณปัจจัยได้แก่พระอรหันต์ออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วเห็นแจ้งกุศลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยเจโตปริยญาณพระเสขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งกุศลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์กเป็นอนัตตาเมื่อกุศลดับแล้วจิตุบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมบุคคลยินดีเพลิดเพลินกุศลเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้น อุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมณัตจึงเกิดขึ้นเมื่ออกุศลดับแล้วจิตุบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมอากาสานัญจายตนะกุศลเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะวิบากและกีริยาโดยอารมณปัจจัยอากินจัญญายตนะกุศลเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะวิบากและภิริยาโดยอารมณปัจจัย ขันธ์ที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแ่หจโตปริย า, ยานปุเพนิวาสานุสติยานยะถากรรมูปัคยานอนาคตังจายานและอาวชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสี่้อยเจ็สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแหยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นราคะจึงเกิดขึ้น ทิฏฐจึงเกิดขึ้นวิจิกิชฌาจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมณัจจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลเพลินทิฏฐิเพราะปราลบความยินดีเพลเพลินทิฏฐินั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิชฌาจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมณัจจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบวิจิกิชฌาวิจิกิชฌาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้น โทมณัตจึงเกิดขึ้นเพราะปรารลอุททะจะบุทัะจะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นโทมณัตจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบโทมณัตโทมณัตจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทจะจึงเกิดขึ้น408สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลโดยอรมณปัจจัยได้แก่ พระเศขะพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นพระเศะหรือปุุชนเห็นแจ้งอกุศลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นอกุศลด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปัคขญาณ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 พระเสขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งอกุศลโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่ออกุศลดับแล้วจิตุบาที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมบุคคลยินดีเพลิดเพลินอกุศลเพราะปรารกความยินดีเพลิด เ, เ, เพลินอกุศลนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมาัะจึงเกิดขึ้นเมื่ออกุศลดับแล้ว จิตุบาที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตทารมขันธ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแขเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากระโมปะขญาณอนาคตังสญาณและอาวชนะจิตโดยอารมณปัจจัย410สภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิโดยอารมณปัจจัยได้แก่พระอรหันต์พิจารณาผล จารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่ผลและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยพระอรหันต์เห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตคาณะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหาทัยวะถุขันธ์ที่เป็นอภยากตะวิบากและที่เป็นอภยากตะกริยาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยที่ประจักษปุฟังเสียงด้วยที่ปโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร้อมพร้อมด้วยจิตที่เป็นอัพยกตะวิบากและที่เป็นอัพยากตะกริยาด้วยเจโตปริยญาณอากาสารนัญจา ย, ยตนะคิริยาเป็นปัจจัยแก่วิญญาณนัญจา ย, ยตนะคิริยาโดยอารมณปัจจัยอากินจัญญายตนะคิริยาเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะคิริยา โดยอารามณปัจจใจรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโดยอารามณปัจจัยสัทธายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตะวิญญาณคันทายตนะเป็นปัจใจแก่คานะวิญญาณรสายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารามณปัจจใจขันที่เป็นอภิญากฤตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยาน ปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสยานและอาวชณะจิตโดยอารมณปัจจัย411สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารมณปัจจัยได้แก่พระเสขะพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานและมักโดยอารมณปัจจัยพระเสขะหรือปุตุชน เห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแจ้งโสตคานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหาทายวัตถุขันธ์ที่เป็นอภยากตะวิบากและที่เป็นอภยกะตกริยาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยที่ประจักษุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาต รู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นอพยากตะวิบากและที่เป็นอพยากตะกริยาด้วยเจโตปริยญาณขันที่เป็นอพยากฤตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณและอนาคตังสยานโดยอารมณปัจจัย 412. สภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตเป็นปัจจัยแกสภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารมณปัจจัย ได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นราคาจจจาจาจะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทัจจะจึงเกิดขึ้นโทมณ์จึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินโสตะคานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโพธพาพัทเยวัตุขันธ์ที่เป็นอพยากตะวิบาก และที่เป็นอัพยากระตะปริยาเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกจิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นโทมณ์จึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัยซี่้สิบสาสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปฏิ และสหชาตาธิปติอารมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นออกจากฌานแล้วพิจารณาฌ า, า, า, า, า, า, า, านให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพระเสสะพิจารณาโคตรภูให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาโวทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ออกจากมากแล้วพิจารณามรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอธิปติปัจจัย414สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออา ร, รมณอธิปติได้แก่ บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น บุคคลออกจากฌานแล้วยินดีเพลิดเพลินฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภยากลิโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาทิปติและสหาชาตาทิปติอารมณนาทิปติได้แก่ พระอาหารหันต์ออกจากมากแล้วพิจารณามากให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสหาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวาธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวาธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากฤตโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหาชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตะสมุทฐานรูปโดยอธิปฏิปัจจัย415สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอธิปฏิปัจใจมีสองอย่างคืออารมณนาธิปฏิและสหาชาตาธิปฏิอารมณนาทิปฏิได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทำความยินดีเพ ล, เ, ล เ, าา เ, เ, เพ ล, เลเาราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นยินดีเพลเพลินทิฏฐิให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลเพลินทิฏฐินั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหาชาตาธิปติได้แย่อธิปดีธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอธิปติปัจจัย สภาวะธรรมที่เป followed, PhD, ็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวเกิดชาตาธิปติได้แก่อธิปฎีธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤดโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวเกิดชาตาธิปฏิ ได้แก่อธิบดีธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัย416สภาวธรรมที่เป็นอภยกริตรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่พระอรหันต์พิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น จารณานิพพานให้เป so ็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอธิปติปัจจัยสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นอพยากตะวิบากและที่เป็นอัพยากตะกริยาเป็นปัจจัยแก่สามประยุติขันและจิตตะสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียว คืออารมนาทิปติได้แก่พระเสขะพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานและมัคโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอพยาก ฤ, ฤ, ฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติได้แก่ บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นยินดีเพลิดเพลิพลนโสตะคานะชิวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโพทภ ะ, ะหาทยวัตุขันธ์ที่เป็นอพยกตาวิบากและที่เป็นอพยกตะกริยาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น เพราะทำความเพลิดเพลินโสตะเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัย417สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคลตระภู อนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากริตโดยอนันตระปัจจัยได้แก่กุศลเป็นปัจจัยแก่วุานะมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมของพระเสขะเป็นปัจจัยแก่พระสมมาบัต เนวสัญญานาสัญญายัจนาปุสลของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระสมมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัิญากฤิ โดยอนันตระปัจจัยได้แก่ NO. อกุศลเป็นปัจจัยแก่วุฒนะโดยอนัน ต, ตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอพยากตะวิบากและที่เป็นอัพยากตะกริยาซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอัพยากตะวิบากและที่เป็นอพยากตะกริยาซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัย พระวังคจิตเป็นปัจจัยแก่อาวชณะจิตกิริยาเป็นปัจจัยแก่วุฒนะอนุโลมของพระอรหันต์เป็นปัจจัยแก่พระสมมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนากิริยาของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระสมมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอนันตรปัจจัยได้แก่อาวชณะจิต เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นกุศลโดยอนันตรปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลโดยอนันตระปัจจัยได้แก่อาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นอกุศลโดยอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัย418สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลโดยสมนันตระปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนอนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังๆโดยสัมมานันตระปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยสัมมานันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตโดยสัมมนันตระปัจจัยได้แก่ กุศลเป็นปัจจัยแก่วุฒานะมักเป็นปัจจัยแก่ผลอนุลมของพระเสกขะเป็นปัจจัยแก่พระสมมาบัติเนวสัญญาณาสัญญายญาณกุศลของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระสมมาบัติโดยสมนันตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยสมนันตะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนก่อน เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดหลังๆโดยสมนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤดโดยสมนันตระปัจจัยได้แก่อกุศลเป็นปัจจัยแก่วุฒานะโดยสมณันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤดเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตโดยสมนันตระปัจจัยได้แก่ขันท์ที่เป็นอภิยกตะวิบาก และที่เป็นอพยากตะกริยาซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแส ข, ขันที่เป็นอัพยากตะวิบากและที่เป็นอัพยากตะกริยาซึ่งเกิดหลังๆโดยสัมมณันตะปัจจัยเพระวังขจิตเป็นปัจจัยแสอาวชนะจิตกริยาเป็นปัจจัยแสวุฒานะอนุโลมของพระอรหันต์เป็นปัจจัยแสพระสมาบัติเนวัสัญญานาสัญญายตนะกริยาของท่านผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติโดยสมณนันตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็น อ, จจนยอพยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยสมณนันตะปัจจัยได้แก่อาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลโดยส <os> ok มณนันตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยสมนันตะปัจจัยได้แก่อวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอกุศล โดยสัมเนันตะปัจจัยสหาชาตตะปัจจัย419สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยสหาชาตะปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยสหชาติปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยสหชาติปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยสหชาติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นขุศนเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพญากฤตโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยสหชาตปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปโดยสหชาตปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปโดยสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอคุศนโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สาโดยสหชาตปัจจัยขันธ์สเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยสหชาตปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศน <ment> เป็นป <hari suspicion S 2> ัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่เป็นอกุศนเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยสหชาติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศนและที่เป็นอัพยากฤดโดยสหชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สาและจิตตสมุทฐานรูปโดยสหชาตปัจจัยขันธ์สามเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปโดยสหชาติปัจจัย ขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปโดยสหชาติปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิโดยสหชาติปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตะวิบากและที่เป็นอัพยกตะกริยาเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยสหชาติปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่ง และจิตตะสมุทฐานรูปโดยสหชาตปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและจิตตสมุทฐานรูปโดยสหชาตปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยกตะวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สและกตัตตารูปโดยสหชาตปัจจัยขันธ์สเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งและกระตะตารูปโดยสหชาตปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและกตัตตารูป โดยสหชาตปัจจัยขันเป็นปัจจัยแก่หทายวัตถุโดยสหชาตปัจจัยหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยสหชาตปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามโดยสหชาตปัจจัยมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยสหชาตปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยสหชาตปัจจัย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 มหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปโดยสหชาตปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอาหารเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแกมหาภูตรูปสโดยชาหชาตปัจจัยมหาภูตรูปสเป็นปัจจัยแกมหาภูตรูปหนึ่งโดยสหชาตปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแกมหาภูตรูปสองโดยสหชาตปัจจัย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 สำหรับเราอสัญยสัตยพรมมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสาโดยสหชาติปัจจัยมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยสหชาติปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยสหชาติปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่ขตตารูปที่มีอุปาทยรูปโดยสหชาติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล และแที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตโดยสหชาติปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุ oh. ทฐานรูปโดยสหชาติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตโดยสหชาติปัจจัยได้ <luxury S 1> <tung> แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลและมหาภูตรูป เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยสหชาตะปัจจัยอัญญมัญญะปัจจัย420สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอัญญมัญญะปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอัญญมัญญะปัจจัยขันธ์สามเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยอัญญมัญญะปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยอัญญมัญญปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอัญญามัญญปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สาโดยอัญญามัญญะปัจจัยขันธ์สาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยอัญญมัญญะปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยอัญญมัญญะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤตโดยอัญญามัญญปัจจัย ได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นอพยกตะวิบากและที่เป็นอพยกตะกริยาเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอัญญมัญญะปัจจัยขันสเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยอัญญมัญญะปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอัญญมัญญาปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่เป็นอพยกตะวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสาและหาทยวัตถุโดยอัญญมัญญปัจจัย ขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งและหาทายวัตถุโดยอัญญมัญญะปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและหาทายวัตถุโดยอัญญมัญญะปัจจัยขันเป็นปัจจัยแก่หาทายวัตถุโดยอัญญมัญญะปัจจัยหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยอัญญามัญญะปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามโดยอัญญามัญญะปัจจัย มหาภูตรูปสาป ม, ปจจมปเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยอัญญมัญญะปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยอัญญามัญญะปัจจัยละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญัตถพรมมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสาโดยอัญญมัญญะปัจจัย มหาภูตรูปสาเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยอัญญามัญญะปัจจัยละถึงมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยอัญญมัญญะปัจจัยนิสยปัจจัย4ี่ยี่สเอดสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยนิสยปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยนิสยปัจจัย ขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยนิสยปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยนิสยปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิยกฤตโดยนิสยปัจจัยได้แก่ ขันหนึ่งที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปโดยนิสยปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งและจิตตสมุทานรูปโดยนิ Además, สยปัจจัยขันสองเป็นปันจจัยแก่ขันสองและจิตตสมุฐานรูปโดยนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยนิสยปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นอกุศล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 เป็นปัจจัยแก่สภา e วธรรมที่เป็นอกุศนและที่เป็นอภยากฤตโดยนิสยปัจจัยได้แก่ ok ขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สและจิตตสมุทฐานรูปโดยนิสยปัจจัยขันธ์สเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปโดยนิสยปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและจิตตสมุทฐานรูปโดยนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤต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 ในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่เป็นอัพยกตะวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามและกตัตตารูปโดยนิสยปัจจัยขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งและกตัตตารูปโดยนิสยปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและกตัตตารูปโดยนิสยปัจจัยขันเป็นปัจจัยแก่หาทายวัตถุโดยนิสยปัจจัยหาทายวตถุเป็นปัจจัยแก่ขันโดยนิสยปัจจัย มหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามโดยนิสยปัจจัยมหาภูตรูปสามเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยนิสยปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยนิสยปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุฐานรูปและกระตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยนิสยปัจจัยละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐาน ที่มีอุตุเป็นสมุฐานสำหรับเราอสัญญาสัตยพรมมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามโดยนิสยปัจจัยมหาภูตรูปสเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปหนึ่งโดยนิสยปัจจัยมหาภูตรูปสองเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสองโดยนิสยปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่ขตัตารูปที่เป็นอุปาทายรูปโดยนิสยปัจจัยจากขายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณโดยนิสยปัจจัยโสตายตนะขานายตนะชิวหายตนะกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยนิสยปัจจัยหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอัพยากตะวิบากและที่เป็นอพยากตะกริยาโดยนิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลโดยนิสยปัจจัยได้แก่ หาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นกุศลโดยนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยนิสยปัจจัยได้แก่หทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลโดยนิสยปัจจัย422สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยนิสยปัจจัยได้แก่ ขันหนึ่งที่เป็นกุศลและหาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยนิสยปัจจัยขันสามและหาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยนิสยปัจจัยขันสองและหาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากรดเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภยกฤดโดยนิสยาปัจจัยได้แก่ ข<บ> <PTSD> ันธ์ที่เป็นขุศสนและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุานรูปโดยนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยกฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยนิสยปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลและหทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยนิสยปัจจัยขันธ์สามและหทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์หนึ่งโดยนิสยปัจจัยขันธ์สองและหาทายวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยนิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตโดยนิสยปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นอคุศนและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยนิสยปัจจัย